ด้วยความหมั่นมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจข่มใจ ไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพมนักดีอันห่วงน้ําไม่มีมารังควานขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนมาติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งรายการนี้ได้เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วทุกทุกภูมิภาคกเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยและยังมีออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆในภูมิภาค ซึ่งรายการนี้ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2,518 โดยในสมัยนั้นระเดจพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณยังเป็นคารวาสอยู่โดยใช้นามว่ามงคลบุตรเป็นผู้ทาหน้าที่ในการนำธรรมะมาสู่ท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นจากโครงการ ธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำผาสีเจริญและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารได้ร่วมกันจัดทมขึ้นซึ่งไดอาราธนาพระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่เจ้าคณะผู้ปกครองทั้งสองวัดก็คือประเดจพะกุณพระพระมกุณาพรในขณะนั้นซึ่งต่อมาก็ได้เป็นสมเด็จ พระพุทธาจารย์และในสมัยนั้นก็คือมีพระธรรมธีรราชมหาหมุนีซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำผาสีเจริญนั่นแหละเป็นผู้นำธรรมะเป็นผู้อบรมศีลธรรมอันดีงามแก่สาธุชนและที่สำคัญก็ยังมีพระวิปัสสนาาจารย์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระ รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญองค์ปัจจุบันเป็นพระวิปัสนาจารย์ซึ่งพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระรูปนี้เป็นทั้งสัตว์วิหาริกและอันเตวาศิกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุณีสดจันทัศโรเป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายโดยตรงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้า รับธรรมะในส่วนของการปฏิบัติมาสู่สิทธยานุสิตในยุคปัจจุบันซึ่งต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเีระนี้ก็คือเป็นพระวิปัสสนาจารย์ของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพสดธรรมกายรามองปัจจุบันนี้เองที่ทาหน้าที่เผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันซึ่งวันนี้ธรรมะที่จะนำมาเสนอสู่ท่านสาธุชนก็เป็นธรรมบัญญายของท่านในเรื่องหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นซึ่งเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่สาธุชนผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติใหม่ๆควรจะทำความเข้าใจว่าหลักในการปฏิบัติจิตหรือการเจริญสมถะวิปัสสนานั้น จะต้องมีองค์ธรรมอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในการปฏิบัติภาวนาธรรมหรือในการปฏิบัติจิตการเจริญวิปัสสนาเหล่านี้แหละเป็นเรื่องจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจของดีในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีในศาสนาอื่นนี้หลักทำคาสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงวางหลักวางแบบแผนเอาไว้ ให้เราได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจสดับประฟังหลักสมถาวิปัสสนากรรมฐานซึ่งวันนี้เป็นตอนที่สามต่อจากคราดที่แล้วและเป็นตอนจบของธรรมบัร ญ, ญายเรื่องนี้ด้วยจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาศึกษาสัมมาปฏิบัติพร้อมกันณบัดนี้การที่จะกาจัดทุกได้ถาวร น, นั้นต้องกาจัดที่อวิชชา และอะไรเรามากำจัดอวิชาก็วิชาตรงกันข้ามกับอวิชาวิชาเกิดได้อย่างไรวิชาภาคียะที่หลวงพ่อท่านสอนนี่แหละที่กระผมจะวกมาตรงนี้วิชาพาคียะวิชามีสองอย่างคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งที่หลวงพ่อว่าไว จนการที่จะทำวิชาให้เกิดต้องทำยังไงต้องสมถะก่อนสมถะใจต้องหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารณตรึกตรองประคองนิมิตปีติสุขและเอกขัตตอารมณ์และองค์ธรรม หรือองค์แห่งฌานทั้งห้านี่แหละเป็นพนักงานกำจัดกิเลสนิวรคือความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรี้กระปร่าแห่งจิตใจถีณามิทะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาบาทนี่ล้วนกำจัดด้วยวิตกวิจารปีติสุขกำจัด ทัจจะกุกกุ จ, จะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจเอกคัตตารม์กำจัดการมฉันทะและนั่นเป็นปฐมฉันทเพราะฉะนั้นธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยเดินตรงตามมหาสติปัฏฐานสี่นะเดินตรงตามมหาสติปัฏฐานสี่คือทำสมถะให้เกิดเพื่อกำจัดนิวรณ์สมถะเกิดขึ้นแล้วประสงค์อะไรประสงค์อบรมจิต อบรมจิตแล้วประสงค์อะไรประสงค์ให้ละราคะวิปัสสนากระทาให้เกิดขึ้นแล้วประสงค์อะไรประสงค์ให้อบรมปัญญาปัญญาอบรมแล้วประสงค์อะไรก็ประสงค์ให้ละอวิชาได้นี่แหละวิชาภาคียะคือสมถะและวิปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ชุ่มด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นจิตที่มัวหมองหรือปัญญาที่มัวหมองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญเมื่อกำจัดราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์กำจัดอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตไม่ได้หมายความว่าแยกกัน ต้องร่วมกันต้องกำจัดทั้งอวิชชาและต้องกำจัดทั้งราคาเพราะจิตที่ชุ่มด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นปัญญาที่ชุ่มด้วยอวิชชาหรือมัวหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญเมื่อไม่เจริญก็โลกุตรปัญญาคือความเห็นแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้งสี่อันเป็นไปด้วยญาณสาม คือสัจ ย, ยานกิจย า, ยานและกตตายานนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่าคนนั้นเป็นสมถะคนนี้วิปัสสนาทำอย่างเดียวว่าต้องทำทั้งสมถะและวิปัสสนาวิชาจึงจะเกิดวิชาเกิดแล้วจึงจะเป็นพนักงานประหารกิเลสอวิชามูลรากฝ่ายเกิด ให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นใครไม่กระทำสมถะอย่างน้อยให้ถึงปฐมฌานไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลเพราะขาดองค์แห่งอริยมรรคมีองแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อสัมมาสมาธิทำฌานให้เกิดตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจากตุทัชฌาน ตามรอยบาดพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงทรงทรมอย่างนั้นเมื่อทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งเอาเมื่อทรงเข้าสมถะได้แล้วกิเลสนิวรอนหมดไปแล้วจึงน้อมเข้าสู่ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังนับทบนับชาตินับกลับนับกันไม่ทวนทั้งของพระองค์เองและสัตว์อื่น รู้เห็นอย่างกว้างขวางไม่ใช่คาดทะเนรู้จากการที่ได้เห็นเห็นทีเดียวตนเองก็ตามสัตว์อื่นก็ตามโอ้โหเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท้วนเพราะเหตุไรนั่นแหละรู้อดีตรู้เงื่อนเบื้องตน้นนั่นในยามต้นแห่งราตรีครั้นถึงยามกลางแห่งราตรี ในขณะที่ทรงเห็นความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักกในพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายนั่นเองทรงพิจารณาต่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์นี่มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักก ในยามกลางแห่งราตรีเมื่อทรงจเจริญสมถะอีกเข้าปฐมฌานทุทตทิยฌานตติยฌานจะตุทชฌานให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรเครื่องกัน้นปัญญาแล้วน้อมเข้าสู่จุตูปาติยานทรงเห็นละทีนี้ว่าสัตยำกรรมอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนั้นและสัตยำ ที่ได้เคยได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะเหตุแห่งกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนีว่ารู้เงื่อนตน้นรู้เงื่อนปลายรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตและอนาคตทรงรู้แล้วโอสัตว์ทำกรรมดีอย่างนี้อย่างนี้ก็มีผลให้ไปได้รับผลดีเกิดในสุขติภูมิเป็นความสุขความเจริญ สัตว์ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้โอ้ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและภูมิของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปตามกรรมนี่ทรงเห็นนะเพราะฉะนั้นใครว่านรกสวรรค์ไม่มีคนนั้นตูวพระพุทธพจน์และใครว่านรกสวรรค์มีแต่ที่เห็นเนอยู่นี่ก็ตูวพระพุทธพจน์เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาตลอดและตรัสไว้มีในธรรมบท ใครเรียนบาลีจะรู้เลยตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองไปมีเรื่องนรกสวรรค์นิพพานตลอดเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนให้เข้าสมถะเพื่อทำวิชาให้เกิดเกิดทิพกคุทิปโสตะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งวิชาได้เข้าถึงด้วยรู้ด้วยการเห็นเห็นแล้วก็รู้แจ้ง ตั้งแต่นรกสวรรค์ไปจนถึงนิพพานน่แหละจึงรู้แจ้งชัดทั้งในธรรมชาติที่เป็นสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นอุปาทินากะสังขารหรืออนุปาทินากะาสังขารว่าเป็นสภาพปรุงแต่งอย่างไรมีสามัญลักษณะอย่างไรแน่ชัดหมดทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็ เมื่อละเอียดเข้าไปถึงพระนิพพานจึงเห็นวิสังขารคือพระนิพพานว่ามีสภาวะที่เที่ยงเพราะบริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถิพิขเวอชาตังอกะตังอสังคะตังเป็นต้นว่าธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่แล้วก็เที่ยงแล้วก็เป็นสุข เพราะไม่เคลื่อนอัจจุดตังเมื่อไม่เคลื่อนและอะไรเรายั่งยืนทุวังหรือทุวัฏฐานังนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแต่ว่าในสองช่วงเนี่ยก็เห็นว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอย่างไรเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตด้วยจุตูปาตยาน นี่แหละ ว, วิชาที่หนึ่งขขออภัยด้วยปุเพนิวาสานุสติยานยานระลึกชายชาติได้นี่วิชาที่หนึ่งแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติยานในยามกลางแห่งราตรีนี่วิชาที่สองที่จะกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดในยามปลายแห่งราตรีทรงค้นหาต้นเหตุที่สุดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ เกิดเหตุเกิดปัดจจัยไปจนถึงทุกขในยามปลายแห่งราตรีทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจาตุทะฌานอีกครั้งหนึ่งจิตสังกัดจากกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาละเอียดควรแก่งานวิปัสนาทรงน้อมเข้าสู่อาสวัขคัยายานด้วยการพิจารณาทบทวนเหตุในเหตุไปถึงต้ น, ต, นต้นเหตุคือปฏิจจสมุปบาทธรรม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 เหตุใดเหตุไปถึงตนตนเหตุทรงทราบแจ้งชัดแล้วทราบอย่างนี้ไม่ใช่ทราบด้วยความรู้หรือวิญญาณรู้อย่างเราเราทราบด้วยการอย่างรู้อย่างเห็นด้วยตาหรือญาณธรรมกายที่กระผมเอาคำนี้มากล่าว พระคุณเจ้าที่เคยได้เรียนประถมสมโพธิ์ก็คงจะจำได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกเกิดมีได้ด้วยอยากบัตรนี้อุบัตขึ้นแล้วในโลกความอุบัตของพระพุทธเจ้าเป็นสอง คือด้วยรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติด้วยรูปกายอุบัตินั่นคืออกกันติสมัยยังลงสู่พระคันมารดาเนี่ยยังลงสู่พระคันมารดาเนี่ยรูปกายเนี่ย ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะนึกว่าเป็นวิญญาณเป็นดวงหรือเป็นจุดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณนั่นก็จริงอยู่แต่วิญญาณไม่มีรูปไม่ได้วิญญาณต้องตั้งอยู่ที่รูปรูปอยู่ในนั้นน่แต่คนไม่เห็นแต่ผู้มีวิชาเห็นว่ารูปนั้น คือเทวากายที่เมื่อเทวากายส่วนหยาบต้องจุดติคือว่าตายพูดอย่างง่ายๆจากดุสิตเทวโลกเทวากายส่วนละเอียดเคลื่อนนั่นแหละแปดศอกเลยและ้ะ มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณที่รั่วมดลูกของมารดาของพระมารดานั่นแหละอกกันติสมัยยังลงสู่พระคันมารดาด้วยรูปกายอุบัติและเมื่อเจริญวัยในพระคันแล้วนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระคันมารดานี่ก็ด้วยรูปกายอุบัติเป็นเจ้าชายศิษฐ์ถะ แล้วด้วยธรรมกายอุบัติละ่ะเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละด้วยธรรมกายอุบัติพระอรหันเตเจ้าทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงความเป็นพระอรหันตหรือความเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตจะไม่มีการกล่าวว่าเป็นขันห้าหรือมีขันห้าแต่ประการใด แต่จะกล่าวว่านั่นเป็นธรรมกายแม้พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวอย่างนั้นว่าธรรมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมกายก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตอธิวัจจนงธรรมกายโยอิติปิธรรมพูโตอิติปิพรหมกะธรรมกายโยอิติปิพรหมพูโตอิติปินั่นถ้าจะแปลโดยอัดเอาความแล้วเราตถาคตคือธรรมกาย นั่นแหละธรรมกายนั่นแหละตรัสรู้ด้วยธรรมกายวิชาสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่สามคืออาสวัคยายานยานอย่างรู้เหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุแห่งทุกข์และก็ทำอาสวะให้สิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมบุญเฉตปะหานและบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในยามรุ่งอรุณของคืนวันเพ็ญ น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานด้วยทั้งการเห็นก่อนจึงรู้เห็นหมดนรกสวรรค์ถึงพระนิพพานไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นทำปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายที่พระเดชทุคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้สั่งสอนไม่ใช่นอกเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่มีในพระไตรปิฎกมีอยู่แต่ว่าผู้ที่มิได้ปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นมองข้ามไปเท่านั้นเองวันนี้กระผมอธิบายไว้เพียงเท่านี้ว่าพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสอนให้ทําสมถะให้เข้าสมถะให้ได้สกักก่อนเพราะวิชาภาคียะ ต้องเป็นทั้งสมถะและวิปั ส, สนาและเมื่อมรรคจิตจะเกิดแล ะ, จะเจริญขึ้นเป็นพนักงานประหารสัญญน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้นั่นหนึ่งในอริมักมีองค์แปดจะขาดเสียไม่ได้คือสัมมาสมาธิคือการจเจริญฌานทั้งสี่ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌ า, านนั่นเองครับกระผมขอ ยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สุดท้ายนี้กระผมขอตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัตสมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จตสำมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตขีนาศพเจ้าทั้งหลาย ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์ขอจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระคุณเจ้าทุกท่านสามเณร ญ, ญ, ญาตโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงจงมีความเจริญรุ่งเรืองในประสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงกระทาที่สุดแห่งทุกให้สำเร็จให้สิ้นไปได้ด้วยดี และเจริญรุ่งเรืองสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพานหนึ่งโดยสมมาทิฐิแต่ส่วนเดียวตลอดกาลและนานเทินนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วนะครับตั้งใจเลยกิจอื่นที่สาคัญกว่านี้ในชีวิตของพระคุณเจ้าไม่มีเพราะสังขารธรรมทั้งหลายเอาเป็นที่พึ่งถาวรไม่ได้ ได้โปรดตั้งใจเลยครับเดินยืนนั่งนอนทุกอิริยบทที่สามารถจะทำได้ที่สามารถจะทำได้ให้มีสติกำกับใจอยู่ที่กลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายสัมมาหลังไวแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะอยา่าเผลอสตินะครับจนกว่าจะเห็นดวงปฐมมรรคให้ใสสว่างและก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มและวก็ดาเนินต่อไปหยุดในหยุดกลางของหยุด ถึงกลางของกลางดวงกลางของกลางกายเรื่อยไปดับยาไปหาละเอียดเรื่อยไปไม่ใช่หยุดนิ่งแช่อิ่มอยู่อย่างที่ผู้อื่นเข้าใจนะธรรมปฏิบัตินี้ดับยาไปหาละเอียดฮะจึงไม่เกิดวิปัสสนูปกิเลสตไม่ต้องสงสัยครับแล้วค่อยทราบรายละเอียดสืบต่อไปหนังสือเรื่องนิพานสาในโปรดอ่านให้เข้าใจว่าพระมหาเถระในอดีต ก็กล่าวตรงกันนั่นหมายเอาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากแล้วทีเดียวนะฮะลองดูแล้วก็เอกสารหลักฐานใดๆก็มีชี้แจงเอาไว้ในหนังสือนิพานสามในนั้นแล้วสามในคืออะไรคือสภาวะนิพานหนึ่งผู้ทรงสภาวะนิพานหนึ่งอายตนะนิพานที่สถิตอยู่ของผู้ทรงสภาวะนิพานนั้นอีกหนึ่งโปรดเข้าใจว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสามประการ ครับที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดุนเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในเรื่องหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความ ให้ท่านสาธุชนได้รับฟังรวมทั้งหมดกับตอนนี้ก็สามตอนด้วยกันถ้าท่านสาธุชนติดตามรับฟังมาเป็นลำดับก็คงจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติภาวนาธรรมในเบื้องต้นโดยอาศัยหลักสมถกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจสงบระงับจากกิเลสนิวร์เบื้องต้นอย่างน้อย5ประการคือกามชันทะวิกิกิจฉาพยาบาท อุทจักกุกุจะและก็ถีนามิทะสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นกิเลสเบื้องต้นที่ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสำหรับวันนี้เวลาของรายการธรรมสุสันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันวันนี้อัตมาภาพขออ้างเอาคุณพระเสรตนาไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบา ร, รมีของบุรพาจารย์ทุกท่านจงมาช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองสาธุชนให้เป็นผู้ปราศจากเหตุเกิดทุกข์ทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ ด้วยผลแห่งทานศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยนณทัศนะทุกท่านทุกค น, นเทิอนเจริญพร